มันหลอกลวงสัตว์โลกให้ติดอยู่เป็นหลายกลับหลายกันติดอยู่ในความหลอ่อความสวยความงามอายุหกสิบปีแล้วยังคิดว่าเรายังหล่ออยู่มันก็ไม่ถูกแล้วก็เลยกวเห็นของปลอมหน้าตาเราก็ของปลอม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 ปลามันก็นึกว่าเหยือมีแต่เหยื่ออย่างเดียวขาบฟุบเหยื่อมันก็นไปทางเหยือไ น, นี่หลีกก็เสียบคางปลาติดปากนั่นไปเลยนั่นแหละใอ้ช่งเกียร์เรื่องนั้นแหะคอสำคัญที่สุด จึงให้เห็นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงก็คือไม่เทีย่ยงร่างกายสังขารของเราไม่เทีย่ยงมันเกิดเกิดก็มาเกิดในครันมารดาเนี่ยมันแก่เราเห็นไหมมันแก่ าตาหนังอะไรต่างๆฟันแต่เดยกไม่มีปัญหาในเรื่องฟันแต่พอแก่เท่ามาก็มีปัญหาถอนออกถอนออกจนหมอเขาเอาเหลือไว้สำหรับเคี่ยวอาหารบ้างเขานั่นมันของของไม่จริงเลย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 บางคนไม่รู้จักเลยว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้นั่นนับจากนี่ไปอีกส0สปีข้างหน้ามันเรืออะไรคนเก้าสิบปีนั่นมันไม่เรือืออะไรแล้วท่านจะให้ดูให้พิจารณาพี่นาเข้าถึงความจริง ดูให้มันชัดลงไปว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเราจะต้องแก่เราจะต้องเก็บเราจะต้องตายคือเตรียมพร้อมถ้าไม่เตรียมพร้อมเนี่ยมันก็จะผิดหวังเพราะนั้นตึงพากันมาปฏิบัติธรรมกัน ปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อปฏิบัติเพื่อหนีความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี่แหละปฏิบัติเพื่อหนีหนีจากความเกิดความแก่ความตายหนีจากความโศก ค, ความรำไรลำพันมันหนีได้ไหมหนีหนีได้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 ไม่ต่อมาเกิดอีกสองสามชาติหนีให้ได้นี้จาของปลอมนหนังก็เป็นของปลอมตะโจหนังนาาโลมาเกสานาาเดบดันตาฝันตะโจหนัง เจศาโรมานขาทันตาตาจนะจเจสาก็คือผมผมมันก็ไม่เสี่ยงขณะเราตัดอยู่ทุกเดือนแก้ไขยอยู่ทุกเดือนทั้งย้อมทั้งย้อมให้มันดำมันขาวหมดเลอายุ ห้าสิบหก ส, บสิบขึ้นไปมันเริ่มเนยเริ่มขาวแล้วแต่เกินสิบกว่าขาวเกิดจะหมดอให้พิจารณาอย่างนี้ในตัวของเราเนี่ยให้มันเห็นชัดเกนดลงไปเห็นเข้าไปในตัวเรานี่แหละ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 แกป้เนี่นก็ยังยอบผมอยู่ให้มันดำสนิทอยู่มันไม่ใช่นางวิสาขาแล้วมันเอยงงมันก็ไม่อยู่หรอกส่วนนางวิสาขาันเป็นคนมีบุญมากผมไม่ได้ยออสักทีลูกหลานส0่สี่ร้อยคนนั่นล้อมไปสวดไม่รู้เลยว่าใครเป็นนางวิสาขา เหมือนกันหมดเหมือนยังสัาวอยู่เลยเหมือนลูกหลานนะ่ะที่ไปด้วยแหละนางวีสาขาผมไม่ดำเพราะผมไม่ขาวมผมดำตลอดอันนั้นมันอำนาจของบุญอำนาจของอุปสงค์อำนาจของคุณงามความดี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 คนทำที่ถีแก้ให้ผมดำเหนือให้มันผมขาวให้มันดำเหนือขายได้เงินเยอะแยะเลยมันล่วงหล่นไปทุกอันทุกอันทุกอันอยู่นานไปเท่าไหร่ก็ยิ่งหมดไปหมดไปทายุแปดสิบเก้าสิบแล้วฟันจะเคี้ยวอาหารก็ไม่มีเลยกลายเป็นเด็กน้อยเกิดใหม่แบบนี้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 เราคิดว่าเราจะอยู่จนแก่จนเท่าจนตายเราไม่ได้พิจารณาถึงความจริงไม่พิจารณาถึงความเปลี่ยนไปของมันลองพิจารณาดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าที่พูดมานี่จริงไหมแสดงทำมานี่มันจริงไหมผมน่ะ ผมอย่างเดียวนั้นนี่หลอกคนให้ติดให้หลงอยู่ได้หลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกันหลอกอยู่นั่นแหละขนก็นเหมือนกันต้องถอนออกต้องวนออกขนเกิดตามแขนตามขา ถามปากถามอะไรเขาว่าหนวดว่าเขาใส่ซื่อเข้าไปให้มันเประไปอันนี้ก็ต้องแก้ไขกันเรื่อยๆต้องโกนออกต้องตัดอกอกเรื่อยๆอันนี้ให้พิจารณาถึงความจริงพิจารณาของปลอมนี่ให้ถึงความจริง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 ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วตาท่าทางอะไรต่างๆการลุกสังเกตได้เลยว่านาวิสาขานี่คือคนไหนนั่งอยู่ด้วยกันเวลาลุกคนไหนค้ำพื้นโอ้นั่นแหละเอามือค้ำพื้นไว้ข่มพื้นไว้ค่อยขยับลุกขึ้นอันนั่นแหละคือนาวิสาขาส่วนลูกหลานลุกขึ้นทันทีมันยังแข็งแรงอยู่นาน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 คนมีเล็บยาวไม่ได้ต้องตัดออกนะเล็บ ก, ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พิจารณาที่พูดนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าตำหนิตีเตียนอะไรหรอกพูดให้พิจารณา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 ไม่ได้ปฏิบัติตามพระวินัยพระพุทธเจ้าให้ตัดออกหมดแม้แต่ผมนี่ก็ยังให้ตัดออกหมดโกนออกดเดือนหนึ่งต้องโกนครั้งหนึ่งบางแห่งก็สิบห้าวันโกนครั้งหนึ่งไม่เป็นระเบียบเดียวมหาเถรสมาคมก็ให้วางแนวให้พร้อมกันแบบวันที่เท่านั้นเดือนนั้นโกนมาแล้ววันนี้ นับมาอีกถึงวันพระนี้อ้าวสิบห้าค่ำเลยวัพระนี้สิบห้าค่ ำ, าาำตาด อ, อกไม่ตัดไม่ได้ผมก็โกลไม่เอาไว้นานไม่ได้เดือนหนึ่งท่านเองต้องโกนผมเลยนาเล็บเท้าก็ต้องตัดเล็บมือก็ต้องตัดเอาไว้นานไม่ได้เลย แต่เล็บมือนี่ตัดยูเรื่อยแล้วแต่โอกาสแต่ผมนี่เดือนหนึ่งมาเทละสมาคมวางแนวว่าให้เดือนหนึ่งให้โกรทีนี้เวลาพระเข้าไปวิาบาบัดเราก็จะเห็นว่าวันไหนเป็นวันพระ ผมจะไม่มีเลยวันพระสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งสิบห้าสองครั้งแล้วเกิดตัดอะคูณผมบอกแล้วเหมือนโยมใส่บาทอะ่ะคนดูที่ชี้สาพระถา้าโกนหัวก็โอพูนี่เป็นวันพระวันนี้เป็นวันพระ ที่นี่พระมันหัวล้นหัวล้านน้องั่นเถอะเหลือแต่ล่อหูเนี่ยท่านก็เลยไม่เอาไว้เอาออกหมดเลยเข้าไปวิ่นทาบาทในบ้านเขาท่านก็ถามพระว่ า, าวันโกนหรือคะวันนี้นโอ้มันจะเอาหัวกูตัวนี่งไหมันจะเอาหัวกูเป็นวันพระวันโกนตัวหนึ่มไห ม, มถึงแท้ท่านบอ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 เจ็ดสิบแปดสิบมาจบดูถึงนลังพึ่งมไม่รู้ความสาวอยู่ตรงไหนไม่รู้ความสวยที่มีอยู่ไปยังไงนี่แหละถ้าไหนพิจารณาพระที่จะบวชนะพระที่จะบวชนี่อุปชาต้องให้ว่าด้วยนะ เกษารเราก็ว่าตามคนที่บวชว่าตามเกษ า, าเกษาแปไปว่าผมอุปชาว่าผมเป็นของสขโสกุป ฏ, ฏิกูลว่าไปอีกด้วยโลมาขนข น, ขนจมูกขนชกะแรขน ก็ให้ว่าตามให้พิจารณาขนก็เป็นของสุขภูมกติกูลนาคเล็บเล็บก็เป็นของสุขภูมิปิกูลนันตาฟันฟันก็เป็นของสุขภูมิปิกูลวม่เชื่อต้มฟันมากินรู้สิ ใครจะกล้า ก, กินบางถอนเอาฟันของคนนั้นบางคนนี้บางคนละอัน้องอันไปทีนี้ก็ใส่หม้อแกงทำอาหารผสมด้วยเครื่องเครื่องปรุงทุกอย่างสุกแล้วเอามาประมาณเราันร้อนเต็มที่แล้วเอามาให้เราตักกินไม่ต้องเอามากเอาคนละสามชิ้น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 เขาเลียกวขี้ันนี่ต้องแปลงฟันต้องแปลงฝันถ้าไม่แปลงนี่ไม่เรื่องเลยคุยกันไม่นานไปแล้วทนไม่ไหว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 รัวอ้อนเนื้อหมูอันนี้กินแล้วอันนี้เนื้อคนไม่กินเลยนี่มันโกะโปกท่านถึงจะบอกบุคคลบุคคลแปลว่าพวกกินกินคืนกิ น, กนของบูดเน่าหนังหมูมันก็เน่าเหมือนกันหนังคนก็ก็เน่าเหมือนกัน ม, มันเน่ามันเหมึนเหมือนกันหมดแหละเนี่ยเราลองพิจารณาดูสิ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 ปิดความเน่าความหมินความสกปรกเอาไว้ถ้าไม่ทำมันเป็น อ, อย่างนั้นจริงๆอยู่ใกล้กันมันรู้มั น, มนทนไม่ไหวเลยแลมะเรงวันตอมเลยพอพูดขึ้นมันได้กินมะ้รวนันมันได้กินกินมันมะงวันมันดังดี่างนี้เหมินใยอันอนีมันรู้จักหมดนะฟันเราเนี่ยเราลองไม่สีฟันสัก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 พระพุทธเจ้าพระองทรงรู้ความจริงจึงตรัสสอนความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกมันเป็นนัตตาจ้าตรงไหนว่มันเที่ยงเอาที่ไหนเรามาเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงนยี่แหละเราจึงจะปล่อยวางได้ ผมก็ไม่เที่ยงผนก็ไม่เที่ยงฟันก็ไม่เที่ยงปากก็ไม่เที่ยงหนังก็ไม่เที่ยงเที่ยงเนื้อก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงสักอย่างเราเจะยังไงอยากทดลองก็ได้เดือนนี้อธิษฐานเลยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป อีกสองเดือนข้าพเจาจะแปลงฟันเท่านี้แหละไม่ถึงเดือนหรอกสองวันเท่านั้นแหละวันสองวันเดือ น, นคุยกับใครเขาก็สายหน้าเลยคุดไปได้นั่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้มันจริงหรือปลอมล่ะพระพุทธเจ้าอกว่ามันไม่เที่ยงเราก็ว่าเป็นของเรา ิงก็ เ, เป็นของเราจริงๆในความยึดความถือของโลกนี้ตามสมมติบัญญตัติแต่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่ญญามันไม่เที่ยงมันเมื่อมันไม่เที่ยงเรายังพอใจอยู่หรือเนีย่ยบางคนอาจจะคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ไปเอาออกหมดซะเลยให้ไม่ต้องมีละฟันนีเออเอาอย่างนี้ไม่ฟันมีเลย ความหลอ่อความสวยความงามความหอมมาเรื่องต่างโว้ยไม่มีเลยนันนี่แหละสอนให้ลูกความจริงสอนให้ลูกความปลอมคือความไม่จิความไม่จริงเราลองพิจารณาตามมสิ ตัวตนของเรานี่เป็นของศาสรหรือของสุขปพเป็นของจริงหรือของปลอมเกิดชาติไหนเราก็มายึดถือตัวตนเนี่ยเป็นคนเป็นเทพเป็นเทวดาก็ยึดถือตัวตนที่เป็นเทพเป็นเทวดานั่นแหละแต่มันเป็นรูปละเอียดอย่างเรานี่เป็นรูปหยาบ เราก็ลองดูยึดถือไปเท่าไหร่ทุกก็ตามไปเวจะขันขันห้าหรืออุปทานขันห้าที่พูดมาแล้วเรื่องลูกลูกเวทนาคือความรับลูกสัญญา คือความจจําได้หมายรูปสังขารความคิดนึกผงเต่งวิญญาณคือผู้รู้ที่ในตัวเรานี่รวมเรามีรูปกับนามสองอย่างรูปคงเป็นรูปที่เหลือเป็นนามนั่นมันอยู่ที่ตัวของเรา เ, เอง โดยเหตุนี้ท่านจึงให้พยายามพิจารณาความจริงเหล่านี้ให้มันชัดมันจะเห็นชัดได้ก็ตรงที่ว่าเรามาพิจารณาน่แหละคือเราทำจิตให้เป็นสมาธิเสียก่อนถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วก็ให้มาพิจารณาดู ดูถึงความจริงเหล่านั้นให้มาวิจารณาดูความจริงว่าเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นของสะอาดหรือของสุปรกนี่แหละพิจารณาลงไปพิจารณาคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นอยู่ยังไม่จริง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 ลองพิจารณาดูคนเกิดมาติดอะไรก็ติดหนังติดเนื้อกันนี่แหละชอบกันก็เพราะปกปิดไวด้ดีหน้าตาเสริมเติมแต่งให้สวยให้งามไม่เห็นรอยมุนทินอะไรเลยช่างเสริมสวยเน้ออีกมาก หาจิ้มกับความจริงตัดผมแต่งผมเสริมหน้าเสริมตาพระก็ฉลาดเหมือนกันนะบางองค์ไปลดน้ำมนต์นี่ไม่พี่นา ลถไปลถไปเลยภาคสเชียนโตโคสยาโมเลสัตยานังองค์ที่เป็นประทานก่อนถือขันน้ำมนต์สัตว์น้ำมนต์พิ่มเพิ่ใส่มันไปถูกคนที่เขาเสริมเติมหน้าเติมตามาแล้วน้ำมันก็นล้างออกไม่รู้น้ำยาหรือน้ำอะไร พ อ, อน้ำมนต์ไปถูกเขาชอบก้มหน้าอะไรนี้เวลารับน้ำมนต์เขาไม่นั่นหรอกเขาไม่ให้หน้าเขาถูกตรงๆหรอกเขาหลกปบเลยก้มลงไปเราก็ต้องคิดว่าเขากมม้มทําหมเแต่กีเขาเสริมสวยมาเขาปกปิดมาแล้วนํำยาเสริมสวยหมดไปไหล หลายร้อยบาทแล้วทำยาเสริมสวยหมดไปหลายร้อยบาทแล้วแต่ตามาเวลาไปซัดน้ามนต์นี่ไปพมน้ำมนต์นี่จะตองพิจารณานะถ้าคนไหนหน้าตาที่แ่บตกแต่งนั่นหน่อย ก, ก็ไม่เอาน้ำมนต์ไปทางนั้น ทำเบาๆไม่ให้มันถูกเยอะไม่งั้นเดี๋ยวเควรืองเสบ่ามันจะหลุดหมดหนึ่งแหละพระที่พิจณาก็พยายามที่จะไม่ให้ถูกหน้าเขาชัดแต่คนที่ไม่ได้เต่งชัดไปทางคนแก่บางคนเด็กๆหนุ่มๆบ้างแต่คนสาวๆนี่เอ้ยไม่ไม่ ไ, มไม่ทำแล้วไม่ลดํำบนให้ เดี๋ยวมันจะไปถูกหน้าเขาีงานแต่งงานเนี่โอ้แต่งคืนทั้งคืนไม่ได้นอนหนึ่งกลัวเสียทรงผมไม่นอนไม่อะไรนั่งคนจะแต่งงานเน่ยเสริมสวยมาจากอุดรเนีอยตามไานอกมันมีที่เสริมสวยเลยก็ไปเสริมสวยมาจากอุดรเสริมสวยแล้วก็มารอแต่งงานรอพิธี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 แต่ตรงนั้นตรงนี้ให้ทีวีมัเปอยงันผู้หากินตามผมตามเสริมสวยก็รวยเงินเยอะแยะปล่อยธรรมดาไม่ได้ล้างหน้าธรรมดาไม่ได้เหมือนทือสินแปแเราร้างหน้าก็แล้วเลยไม่ต้องมาตกแต่ง ล้างหน้าแล้วแปรงฟันแล้วก็มาได้เลยสลามานั่งสมาธิได้เลยแต่ก่อนไม่ได้จะออกจากบ้านต้องแต่งตัวเสียก่อนทรงนี้มันเข้าท่าไหมทรงนี้มันเข้าท่าไหมต้องแปรงต้องจัดผมให้เข้าท่าจัดคิ้วจัดหน้า อ, อนี่ได้ พิจารณาถึงความจริงพิจารณาถึงความปลอมปลอมก็คือไม่จริงจริงก็คือไม่ปลอ ม, อมไม่ต้องแก้ไขเขาจะเห็นความจริงเลสสารที่แก่มาแล้วหน้าตาเขาแก่อะไรก็แก่ไม่ใช่แก่ธรรมดานะ ต่อมาเพราะเหนื่อยก็เมื่อยด้วยพอแก่เท่ามาเลยอายุเก้าสิบปีนพูดไม่ค่อยได้กินแหละจะลุกจะเดินต้องมีคนถามคนดึงนั่นมัเป็นอย่างนั้น ถัดให้พิจารณาพิจารณาถึงความม่จริงของมันแต่เราพิจารณามาที่ตัวเราเนี่ตัวเราเป็นดังนั้นแหละเป็นของสกปรกติกูลเป็นของที่ป้อมไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราเกิดมาโลงสมมตินะ่ะ หลุมสมุนลกูกดาลาเนี่ยเขาไว้ผมยาวเราก็ไว้ยาวปั๊กจะได้เงมือนสวยมันเหมือนดาลาบางทีผู้ชายก็โอโลงเอาผมไว้เยอะเลยเราดูไม่ออกด้วยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบางทีเขาจะเอาของมาถว า, ายเราก็ต้องดูซะ ก, ก่อนเอเวันหญิงหรือชายกันแน่นี่ เป็นผู้หญิงกือผู้ชายกันเนี่ยสยายผมนะเออสยายผมฟุเออเราก็ดูอผู้ชายรับได้รับได้ไม่เป็นไรถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องหาผ้ามาลองด้วยก่อนรับด้วยเนื่องด้วยกายนั่นนะ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 มันไม่เที่ยงสักอย่างเมื่อเราอยู่กับความไม่เที่ยงเราจะทำใจยังไงเมื่อเราอยู่กับความไม่เที่ยงเราจะทำใจยังไงมันก็ยากเหมือนนะถ้าไม่มีสติมีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วยาก บางคนอายุสามสาวแล้วหกสิบปีแล้วยังเห็นเท่าสาวนี่เนี่ยทำพี่หลีเป้าลอใส่เขาไม่ดูเจ้าของเองไม่เอากระจกส่องหน้าดูใ้เขาพูดด้วยได้ยังไงฟันก็หาจะเคี่ยวอาหารก็ไม่มีแล้วนั่น พระพุทธ้าองคแต่จสรู้ความจริงคืออริยสัจสีเริ่มต้นพ็ฝึกอนาปานนสตินี่นแพอมันได้ที่ก็สำลักกิเลสออกจากใจมุดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพออรุณพุกสีแด ง, ดงๆขอบฟ้าพระพุทธเจ้าก็ ตัสลุมดเลยรู้ความจริงความปลอมความแท้ความไม่แท้มดทุกอย่างขันไม่แต่ขันห้าไม่ยึดมั่นถือมั่นสาคัญหมายเลยโอ้โรู้รู้ชัดด้วยรู้ชัดตาเป็นกร่งพวไม่กลับมาหลงอีกแล้วส่วนพวกเราเนี่ก็ปฏิบัติทำไปตามคำสอนพระพุทธเจ้าแหละให้มันหลุดพ้นจาก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 พ่อฆ้าก็หัวไสเลยเอาอะไรมาของเทียมหน่อมาทำฟันไม่ทำกระดูกฟอมใส่ถูงไว้หมามาก็โยนให้มันแล้ก็มันมนึกว่าเป็นกระดูกมันก็กัดกัดกกัดเงินแหละเงินแหละเงิแหละ ท่านไม่ให้หลงท่านให้วางให้วางของปลอมนี่เหมือนหมามันแท้กระดูกเลยกระดูกปลอมพอข้าหัวใสมันทำเงินทำกระดูกปลอมให้หมาที่พูดนี้เคยไป เคยไปศูนย์ที่เขาเอาหมามาเลี้ยงเอาหมามาขายตัวหนึ่งตั้งห้าพันนะไม่ใช่ธรรมดาเลยตัวหนึ่งเห็นมันเคี่ยวของปลอมครับครับครับ แต่เราพิจนารณาแล้วเราก็เห็นความจริงเราเห็นความปลอมเราก็ปล่อยวางได้เราก็ละได้เราก็ไม่ทุกข์แกเราก็ไม่กลัวตายเราก็ไม่กลัวคนที่ไม่กลัวตายมีแต่พระพุทธเจ้าพระบจิตพรพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านี้แหละไม่กลัวความตาย นอกนั้นก็ยังโกมตายอยู่ให้พิจารณาให้ดีเราจะสามารถเห็นความจริงของพุทธเจ้าจนสามารถทำกิจทำละกิจให้บริสุทธิ์ได้จากราคะโทสะโมหะได้หรือแต่กิจที่บริสุทธิ์ผ่องใส ตั้งเที่ยงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับสิ่งไหนไหนก็ตามในโลกนี้ไม่ติดในลาบไม่ติดในยศไม่ติดในสารเสรืเิอเดือนยอไม่ติดทุกอย่างวางเลหงดแม้แต่ความตายก็ไม่กลัว กัวยังไงพอมันบริสุทธิ์หมดแล้วเรารู้ความจริงหมดแล้วรู้ชัดด้วยตัวของเราเองแล้วเราจะไปหลงได้ยังไงเสมือนญาติโยมที่ฟังเทศน์นี่แหละผู้มาปฏิบัติผู้หลีเกเล่นทั้งหลายก็มารู้ความจริงแล้วแต่ก่อ น, นขอเขาม่ค่อยพิจารณาเท่าไหร่ แต่ปัจจุบันีนกําลังขนาดนี้เดี๋ยวนี้เราก็หลังทีาณาอยู่ว่าโอ้มันไม่เที่ยงจริงหรอนีมันเป็นทุ ก, กิงจริงมันเป็นหน้าตาจริงๆไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดซือว่าอันนี้ของเราของเรายึดถือไม่ได้เราก็มาลูกแล้วอพอวามายึดถือก็ไม่ต้องใส่เสื้อใส่ผ้าไม่ต้องเออนั่นนี่มันก็ไม่ใช่มาธรรมดานี่แหละแต่ว่าให้ลูกคมจริง ให้รู้ความจริงถึงจะยังไงมันไม่เป็นของเราหรอกแต่ก็ให้รู้ความจริงว่าขนาะนี้มันก็เรายังยึดถือนี่อยู่แต่พอเราพิจารณาหรือเราทําจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้แล้วเราก็วางใจได้ไม่หลงอีกต่อไปไม่หลงว่าเราสวยเรางามเราอันนั้นอันนี้โอไม่หลงสักอย่างไม่ติด ไม่คล่องแวะไม่เอามาใส่ใจก็มองเห็นความจริงอยู่ตลอดเวลาว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นะเอามาพิจารณาอยู่กันเราจะซักษาอยู่ไม่ได้รอยห้ผมงอกงอกก่อนถึงจะมาปฏิบัติหลวงพ่องอกไปก่อนเรวจะว่าวยังไงใครจะมา ช่วยจัดการเรื่องเหง่านี้ให้มันละเอียดลเออขึ้นมาได้เหมือนเมื่อคืนวานนี้นะ่ะอาตมาก็ไม่สบายนิดหน่อยท่านไทบุญก็เอาหนังสือไปให้เซนเซนวุฒิบัตร ประกาศสัญญาวัตรของผู้ที่มาฝึกอบรมนีเอาไปเซน็นอัตมามาคิดใจนึ่งก็ผู้นี้คอยเซ็นก็ได้ใจหนึ่งมันก็พูดขึ้นมาว่าถ้าคืนนี้เกิดไปตายเอะใครจะมาเซ็นเลยไม่ได้ทำใหม่เลยโอ้ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเอาเข้าไปทำที่ห้องนอนเลยเอาไปเซน็นจนเสร็จเซ็นใบวุฒิบัติเสร็จร จ, จึงนอน กาตายก่อนกาจะไม่ได้สิทธิ์ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้บ่อยๆ อ, อยู่เรื่อยๆมันก็ทำให้ใจของเรานี่ไม่หวั่นไหวต่อเรื่องใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเกิดอีกความแก่อีกความเก็บอีกความตายอีกถ้าเราไม่มบรรลุปเป็นพระอารหันต์นี่เราต้องเกิดอยู่อย่างโสดาบันนี่ก็เกิดถ้าโสดาบันนี่เกิดเกิดอย่างชา้าที่สุดเกิดชาติตนอี ไม่ตกต่ำเลยนะไม่ใช่เกิดมาแล้วต้องตงนนกนรกหรือทําบาปสำคัญต้องรน้ใจไม่เป็นอย่างนั้นใจของพระสุวันไม่เป็นอย่างนั้นพอรู้ตามความเป็นจริงแล้วแต่ละกิเลสยังไม่หมดก็ต้องมาเกิดอีกอย่างมากที่สุดไม่เกิดเกิดชาตินีไม่เกิดกิดชาติ เอา เ, า, าเกินถ้ามากเกิดไม่เกินเก็ดชาติมันจะได้พบกันเหลือกับแฟนมันจะได้พบกันทุกชาติไหมอาจจะมีคนถามมาได้ ไ, ได้พบกันหนึ่งมีศรัทธาเสมอกันผัวว่าสิบเมียว่าหา้าอันนี้ไม่สเสมอกัน แต่ถ้าเสมอกันผัวห้าเมียก็ห้าผัวสิบเมียก็สิบถาบุตรนะนี่แหละมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกัน มีมีฐานเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันทำสีข้อนี่แหละอย่างอีกขั้นหนึ่งคือบริจาคเสมอกันอันนี้ได้ได้ไปอยู่ด้วยกันแหละลมาเกิดก็โลมาเกิดด้วยกันไม่มีทุกข์ด้วยกันทั้งเ็ดชาติอะถ้าใครอยาก มาเกิดอีกก็อธิษฐานให้พบกันก็ทําบุญให้มันเท่าเทกันทําความดีความงามก็เหตุเหตุพ้องท้องกันไม่ใช่ผัวมาวัดแต่เมีย น, นุ่นเข้าบ่อนอยู่นุ่นกินเหล้าเล่นมลุกเล่นไพ่ดัมมี่ดําเมอรเลยอยู่นุ่นอย่างนี้มันไปไม่ได้นี่ยมันไม่ไม่ได้เจอกันเพราะว่าศรัทธามันไม่เสมอกันศีลมันไม่เสมอกันบริจาคไม่เสมอกัน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 แต่ถ้ามันมีคุณธรรมเส ม, มอกันมีความดีเส ม, มอกันอย่างที่อัตมาว่ามัมันก็ได้พบกันทุกภพทุกชาติตลอดเกิดชาติเราไม่ต้องไปสู่ใบยภูมิเลยเน่ยทางสองคนนั่นแหละแต่ถ้าคนหนึ่งมีศรัทธาแต่คนหนึ่งไม่มีศรัทธามันก็ไม่เท่ากันเนี่ยเมียไปทําบุญมาเออผัวไปทําบุญมาเอาน้ําพึ่ไปต่อไอพ้พระ น้ำผึ้งไปถวายพระพระธิวานั่นก็คือหลวงปู่มัน่นกลับมาถึงบ้านเลยเมื่อถวายถวายน้ำผึ้งแล้วกลับมาถึงบ้านบอกว่าอนุโมทนาส่วนบุญนะอืมบอกไม่บ้านบอกคุณอนุโมทนาแผนส่วนบุญนะ เอาเถอะคุณเอาไปเถอะฉันไม่สนแล้วฉันไม่เอาแล้วเท่านี้พอตายแล้วไปเกิดคนที่เป็นเมียไม่อยาโมทนาบุญนะก็ไปเกิดอยู่พรมชั้นที่สี่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนแฟนก็ไปเกิดชั้นหกเนี่ย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 พร้อมกันมีใจยินดีด้วยกันครอบครัวนี้มาเกิดชาติไหนพวกไ้นก็เป็นสุขเพราะมีธรรมะเสมอกันอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกตมาไปคนดูเห็นคิดน่ยเอ๊ะคนเราถ้าจะได้พบกันทุกพวกทุกชาติทําไงเนา อ, อ๋อพระไตพปิฎกคำสอนพระเจ้าขอเทศเรื่องนี้ไว้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 ศีลดงปูมั่นอย่างเงี้ยกรณีจากทุกได้ลกูกศีลดงปูมั่นกร น, นีจากทุกได้ผู้ปฏิบัติตามรุนร่นลูกรุนร่นหลานรุนเหลนก็บรรลุได้ถึงความสุขความสามเด็จได้ผมเป็นพระธาตุฟันเป็นพระธาตุกระดูกเป็นพระธาตุอันนี้ไม่กลับมาเกิดอีกเลย ใครเราไม่มาเกิดก็ตัวเราเลวไม่มาเกิ ด, กกดจะมาเกิดได้ไงมันไม่มีกิเลสแล้วมันจิดมันบริสุทธิ์แล้วมันไม่มีโลภมีโกรธมีโลงมีอิจฉาลิษยาราขะตันหาอะไรไม่มีละมันวางได้หมดละมันไม่ยึดไม่ถือลวก็นี้ทุกได้อย่างแท้จริงพอมาพิจารณาเห็นของจริงและของปลอมนี่เอง มาพิจารณาเห็นของจริงมาพิจารณาเห็นเป็นของปลอมตามที่มันเป็นอยู่จริงๆนั่นตัวตนของเรานี่ก็เป็นของปลอมเพราะอะไรเพราะเกิดเป็นหนุ่มเป็นสาวเกเเท่าชาลาล่วงโรยหมดไปสิ้นไปนั่นมันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ตาโตกีใตกอดแห่งอันนี้จังของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตา เน่ใครรับเป็นอย่างนี้ก็ใจเราแล้วผู้บริสุทธิ์รู้ใจกายเป็นผู้บริสุทธิ์ใจเราเป็นผู้บริสุทธิ์ใจเราที่หายใจเข้าออกนี่ยใจเราเนเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนใจคนอื่นคนอื่นก็ผู้บริสุทธิ์นิยาณนนิกธรรมท่านว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นนิยาณิกธรรม น้ำบ อ, อกจากทุกได้จริงเนี่ยทุกก็คือไม่เกิดอี ก, กัเด็เราจะอยู่เฉยๆว่าโอ้ไม่เกิดอีกหรอกกว่าจะมาเจอไอ้ขี้บ่นนี่เนี่หรือไอ้ขี้เล่านี่เนี่ยเราาบไปเลยแต่เราก็ต้องเกิดอีกเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เห็นความจริงยังไม่เห็นความปลอม ยะไม่เห็นความเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราเห็นชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างเจีมแจ้งในใจของเราแล้วเราไม่หวนกลับมาแม้เราเราอยากกลับมามันก็ไม่กลับมาเหมือนหลวงพ่อประสิทธิ์เอาบาตรเข้าไปถาวายท่านบาตรอบบาตรเหล็กเขาอบอย่างดีเลย สั่งซื้อทั้งฝาทั้งขาด้วยทังนั้นด้วยตั้งหมื่นบาทด้วยน่นะนตมาเอาน้องเข้าไปถวายท่านท่านบอกว่าบาทก็ไม่อยากได้ท่านว่ารองเท้าก็าไม่อยากได้เกือบตะมาเอารองเท้าเข้าไปถวายให้ท่านด้วย เมื่อจัดงานอายุของท่านที่วัดเราเนี่อาจารย์เส น, นียเป็นเจ้าภาพรองเท้ากับญาติโยมยี่ก็ออกไปสวายล้อประสิทธิท่านว่ารองเท้าก็ไม่อยากได้บาทก็ไม่อยากได้เมแต่ลมหายใจยืนนี้ก็ไม่อยากได้ท่านว่านั่นเห็นไหมพอไปรู้ความจริงแล้วมันไม่อยากมากเกินอีกหรอก มือนเด็กน้อยกินหมากพริกกันแหะมันเห็นแดงมันกินกลับเข้าไปมันเผ็ดที่นี้ทีหลังเห็นแล้วไม่กินอีกเลยรู้เลยว่าโอ้เผ็ดเป็นอย่างนี้นั่ก็เหมือนกันหาลีเจ้าตอนตอนเห็นแล้วโอ้ยมันเป็นของปลอมหมดทั้งนี้มันไม่ใช่ของจริงตอนนี้เท่าเนี้ย ท่านก็พ้นทุกข์ไปแล้วไม่กลับมายึดถือสำคัญวัตไหมายในตัวตน น, นี้พาลาหะวีปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้นั่นขันห้าเป็นของหนักหนักเพราะอะไรตื่นขึ้นมาต้องล้างหน้าล้างตาแปรงฟันทำความสะอาดอาบน้ำอาบท่า ตกแต่งร่างกายทานอาหารนันนี่โอ้ยทั้งวันเลยจนนอนหลับนอนหลับได้ยังฝันอีกด้วยนนไปกันป่านนั้นไม่ธรรมดานี่แหละให้พี่นาให้เห็นความจริงในตัวเราว่าตัวเรานี่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย มีเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็หนีการเกิดแก่เก็บตายเหล่านี้ได้เห็นความจริงว่าผมไม่ไม่เที่ยงขนไม่เที่ยงฟันไม่เที่ยงไม่เที่ยงสักอย่างรูปก็ไม่เที่ยงรูปนะร่างกายนะไม่เที่ยง น้ำก็ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงสักอย่างเมื่อเราเห็นว่าไม่เที่ยงแล้วเราจะเข้าไปยึดถือได้อย่างไรก็เหมือนเรารู้ว่านี่งูจงอางเราจะกล้าเอามือไปกำคอมันเหรือเนี่ยแล้วก็ถอยกูดเลยแหละไม่เอาแล้วถึงไม่อยากเรียนไหวาตายเกิดมันก็ไม่ได้เรียนถึงอยากอะไรต่ออะไรมันก็ไม่มีมันหมดแล้ว มันวางหมดอ่ะมันก็ไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญนัมันหมายในอะไรอยู่เลยเขาเรียกว่าพนทุกพ้นที่ไหนล่ะใจเราแล้วเป็นบูพน์กายมันไม่พ้นนี่มันจะตายทานอีแต่ใจ น, นั้นแหละสิมันพ้นพ้นจากความยึดมัน่นถือมัน่นสำคัญมหมายละในมดวางได้หมดเคยบุญก็ไม่บุญเคยด่าก็ไม่ด่า มีแตกิเมตตาสงสารใน้โลกเห็นใจคนอื่นสัตว์อื่นไปมีความสุขความเจริญต่อไปอันนี้ถ้าเขาถึงธรรมของพุติจาแล้วให้พิจารณาอย่างนี้แล้วจะเห็นความจริงตามลำดับดีกว่าวิปัสนาคือรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสีรู้แจ้งในตัวตนของเรารู้แจ้งในกิเลสตัณหาราคาะอะไรต่า ง, งๆทุกอย่าง หมดความยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายทุกประการในดังนี้แหละยี่วังก็มีด้วยประการเช่นี้